ลมมาจะลมกลที่ปติสัมพันธ์ เทเสตุธรรมานุกรมปีมังปะชังท้าสามบดีโพร การประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบางคม <c oughs> ชูลีบาดภาษาสดาขอพอนอันประเสร เลลิดมาโฮลันปวงสรรในโลกา ชานีท่านจงโปรดแสดงธรรมน้มนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิดล้ำโปรดแสดง a n a I. เป็นธรรมเนียมอาราธนาธรรมเป็นธรรมเนียมแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีเพื่อหวังจะโปรดเวนัยสัตว์ซึ่งเป็นหน้าที่ของพระองค์อยู่แล้วมีผู้อาราธนาให้โปรดอีกก็เข้ากันครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ว่า พรมวิหารในพระไทยของพระองค์นั่นแหละอาราธนาพระองค์ก็ใช่อยู่พูดในแง่ของธรรมาทิฐานมีพระพรหมที่ะโอบัตในโลกพระพรหมเท้ามหาพรหมมารัธนาเป็นเรื่องของปุคลาทิฐานแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมี พระพุทธโคโดมของเราดิสี่อสงไขยแสนมหากรโดยเฉพาะที่ออกวาจาพุทโธโหมิอนาคเตกาลสี่อสงไขยแสนมหากรโอ้เนิ่นนานเท่าไหร่ยังไม่ออกปากด้วยรวมแล้วยี่สิบอสงไขยแสนมหากรนี่บารมีนี้ท่านสร้างมาเพื่อที่จะโปรดเวนนยยสัต เพราะฉะนั้น พ, อ, พ, อ, พอท่านได้อุบัติมาแล้วท่านทำหน้าที่ของท่าน <c oughs> ตอนเช้าบิณฑบาตตอนสายแสดงธรรมตอนค่ำโอวาทพระพิสุกลางคืนตอบ ป, ปัญหาเทวดาเวลาใกล้จะสว่างเล่งดูสั ต, ตวโลกอันนี้เป็นพุทธกิจ เป็นกิจของพระพุทธเจ้าก็มีคําอีร์รัตนามาประกอบด้วยก็สมเหตุสมผล <c oughs> เป็นธรรมเนียมไม่ใช่ไม่ใช่อาราธนาพูดที่จะขึ้นเทศนี่นะเป็นการอาราธนานน่นท้ามหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้านูน่นบางครั้งบางแห่ง เขาไปอาราธนาโอ้ยไพเราะเพราะพริง้งเราชักเขินๆแท้ที่จริงไม่ใช่เขาอาราธนานูน่นท้ามหาพรหมอาราธนาพระพุทธจเจ้เาท้ามหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจา้าเวทีตรงนี้รู้สึกว่ามาขึ้นบ่อยอยู่นะ เ, เป็นยังไงบ้างรสชาติอาหาราถูกปาก ถูกกริดถูกนิสัยอะไรบ้างไหมเราฟังดูหมู่เล่าให้ฟังว่ามีผู้สนใจภาวนาเยอะอยู่นะตรงนี้มีผู้ตั้งใจมีท่านที่ตั้งใจภาวนามีกันเยอะอยูเวลามีครูบาอาจารย์สายปฏิบัติมาพูดธรรมะมาเทศมาแสดงธรรมะสนใจติดติดตา ม, มก็ ปลืม้มยินดีและก็อนโมธนาด้วยกับพวกเรามีกุศลจิตเพราะการที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนานั้นอะ่ะมันเป็นอานิสงส์มีอานิสงส์สูงสุดมีอานิสงส์สูงสุดสูงกว่าวิหารฐานสูงกว่าเลื่อมใสศรัทธากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สูงกว่ากระโดดมาตั้งใจรักษาศีลสูงกว่าการเจริญสมาธิทำให้จิตได้รับความสงบการตั้งใจภาวนาการตั้งใจปฏิบัติจดจ่อด้วยสติยิ่งเราเกี่ยวข้องด้วยหลักของมหาสติด้วยแล้วจะทำให้เรามีปัญญามีผลมีอนิสงส์สูงสุดเป็นเหตุให้เราได้มรรคได้ผลได้นิพพาน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 อนิจจาวะตะสังขาราอุปาดวะยธ ร, รมมิโนอุปปัจจิตวานิรุชันติเตสังวุปสมโมสุโคสังขาราปรมาดุคาตีตีเราฟังแล้วกเราก็นั่งภาวนาไปด้วย ได้กำลังสองกำลังหนึ่งเรานั่งภาวนากำลังสองเราฟังเทศไปด้วยไม่เสียความเคารพเพราะผลรายได้จากการฟังผลรายได้จากการภาวนารวมลงในภายชนะเดียวคือใจของเรา ừ. รวมลงในภายชนะคือธรรมในใจของเรา มันเป็นเกินมันเป็นการเจริญธรรมเอาธรรมเข้าสู่หัวใจเพราะฉะนั้นให้เราเระลึกเข้ามาให้เราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาทำความรู้สึกอยู่กับกายของเราทำความรู้สึกอยู่เฉพาะใจของเราแล้วพยายามสํารวมสติกำหนดจดจอเข้ามาพยายามตั้งอกตั้งใจทาเข้าอันนี้แหละมันเป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติให้กับจิตของเรา มันเป็นการพัฒนาจิตโดยตรงพัฒนาอย่างอื่นยังเป็นโดยอ้อมพัฒนาจิตเดี๋ยวนี้จิตเราไม่ฉลาดจิตเราไม่สว่างเราต้องพยายามเจ่อมาที่จิตของเรามันเป็นการพัฒนาตรงเป้าประสงค์คือจิตของเราจิตของเราไม่ฉลาดเราพยายามฟังเพื่อให้เกิดความรอบรู้เกิดความฉลาด ด้วยเหตุที่พวกเราไม่ฉลาดนี่เองเป็นเหตุให้พวกเราตกค้างอยู่ในโลกตกค้างอยู่ในโลกไม่ว่าเราไม่ว่าท่านตกค้างอยู่ในโลกหมกอยู่ในโลกเหมือนกบเหมือนเขียดหมกอยู่ในกองดินกองทรายกองใบไม้หมกอยู่ในโลกหมายความว่าเราหมกอยู่ในกองการมคุณทั้งหลาย จิตของเรานําไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสนั่นแหละคือกองของกามคุณเราหมกอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละนี่คือยังหมกอยู่ในโลกเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นตระการหูตรกา ร, ต, ร, การตาติดอกติดใจลหลงไหลใฝ่ฝันติดค้างอยู่อย่างนี้แหละอืเพราะเราไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นของจริงการที่เราตั้งใจภาวนา มันเป็นการพยายามจะเจาะทําความสามารถให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจไปประสบพบเห็นความจริงด้วยตัวของตัวเราเองการที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาท่านจึงเรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงด้วยตัวของตัวเราเองจากการที่เราได้ยินได้ฟังก็เป็นสุตะ คือการได้ยินได้ฟังในขณะเดียวกันเราใคร่ครวนตามมันก็เป็นจินตะนึกคิดใคร่ครวนตามไปด้วยเป็นปัญญาที่เรามาใคร่ครวนทบทวนที่เราได้ยินได้ฟังนี่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเสียแล้วเอาไปทำทำจนประสบผลสำเร็จเข้าไปรู้เข้าไปเห็นหลักความเป็นจริงรู้เห็นตามที่เป็นจริงยะถาภูตญาณทัศนะ ของจริงมีอยู่ยังไงเราเข้าไปเห็นอย่างนั้นเข้าไปรู้อย่างนั้นที่เรียกว่ารู้เห็นตามที่เป็นอยู่จริงของที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงคืออะไรบ้างอ น, นิี้จังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะขณะนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เป็นอุดม ม, มงคลพวกเรากําลังฟังธรรมฟังตอนไหนเวลาไหนเป็นอุดมเป็นมงคลทั้งนั้นแม้แต่งานศพงานศพของ หลวงพอ่อหลวงพ่อเจือของอาจารย์เจือของหลวงปู่เจือท่านเป็นผู้มีอายุยืนอายุเกสบเปีในที่สุดทุกคนก็ต้องเป็นไปตามหลักความเป็นจริงเป็นไปตามหลักความเป็นจริงเข้าสู่หลักของความเป็นจริงคือความไม่คงทนและก็เปลี่ยนไป ความไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาแต่ทําำไงเราจะเข้าไปเห็นหลักความจริงเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงวางหลักเกณฑ์เอาไว้ให้เราตะลอมเข้ามาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์เพราะการที่เราเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยทำให้เรายินดีพอใจในการศึกษา ธรรมะซึ่งเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติข้อประพฤติข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเป็นกรุยหมายป้ายทางาชี้บอกให้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเดี๋ยวนี้หลักความเป็นจริงแสดงให้ปรากฏกับเราคือหลวงพ่อเจือหลวงปู่เจือของเราเนี่ยอายุท่านก็กบเพรรษาเท่าไหร่นะ พรรษา64ได้ยินว่างนันนะพรรษา64ท่านเป็นลูกศิษย์ท่านพลีหลังจากท่านบวชมาแล้วท่านก็เป็นพระกรรมฐานท่องเที่ยวจําพรรษาไปมากแห่งหลายที่นี่อย่างที่ดูในหนังสือนี่คร่าวๆไปที่นู่นไปที่นี่เข้าป่านุ่นถ้ำนั้นเงื้อมนั้นบ้านนั้นจังหวัดนั้น ที่โน่นที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาอายุการผ่านไปอัธรรมเข้าสู่หัวใจผ่านไปผ่านมาในที่สุดความจริงก็ปรากฏนี่คือความจริงปรากฏความจริงอันนี้มันปรากฏสำหรับท่านสิ่งที่จะพึงจากสิ่งที่จะพึงละท่านใดละไปแล้วท่านใดจากไปแล้วท่านใดทิ้งไปแล้วทําไมถึงจากทาไมถึงละทําไมถึงทิ้งเพราะทนอยู่ไม่ได้มันหมดสภาพ สิ่งที่หมดสภาพร่างกายอัตภาพร่างกายของเราของท่านมันเป็นสิ่งที่หมดสภาพมันเจริญในวัยที่ควรเจริญแล้วมันก็เสื่อมในวัยที่ควรเสื่อมสมัยเป็นหนุ่มเป็นแนนท่านก็เจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยบวชเป็นพระหนุ่มเนร น, น้อยก็เที่ยวบำเพ็ญตามป่าตามเขาได้อัดได้ทำเข้าสู่หัวใจนะอายุสี่สิบปีห้าสิบปีห้าสิบปีล่วงไปแล้วเนี่ยวัยเจริญ ก็จะเริ่มอยู่ตัวแล้วก็จะเริ่มอยู่ตัวแล้วต่อไปก็จะเริ่มเข้าวัยเสื่อมแล้ ว, ลวเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีไม่ถึงร้อยปีหรือจะอย่างจะคุณอดมยานมอรีวัดพอดีสมพรอายุร้อยห้าปีได้แค่นั้นแหละท่านก็นต้องจากไปสิ่งที่จะพึ ง, พงเสื่อมไปสิ่งที่จะพึงสิ้นไปละไว้ปล่อยไว้วางไว้ตามฐานะ ตามภาวะความมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงอยู่อย่างนั้นไม่มีใครฝืนได้สิ่งที่ไม่แตกก็คือจิตใจจิตใจไม่แตกจิตใจไม่แก่แต่หาจิตใจของเราก็แก่ได้เหมือนกันแก่ด้วยบาปทําบาปมากๆท่านเรียกว่าแก่บาป ทำบุญมากๆถ้าเรียกว่าแก่บุญแก่อดแก่ทำอย่างนี้ท่านก็เรียกแก่เหมือนกันท่านเรียกแก่แต่ว่าสังขารร่างกายมันแก่คือ ม, มันเจริญตามไปที่ควรเจริญแล้วมันเสื่อมตามไปที่ควรเสื่อมเสร็จแล้วก็ถึงการถึงคราวระบบอันนั้นก็เสียระบบอันนี้ก็เสียโรคอันนั้นมาเกาะโรคอันนี้ก็มาพันในที่สุดอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ ก็หมดอายุไขที่เเรียกว่าหมดสภาพหมดสภาพทรงตัวอยู่ไม่ได้หมดสภาพต้องการประคับประคองเท่าไหร่ก็อยู่ได้แค่นี้แหละนี่คืออัตภาพร่างกายของเราของท่านเพราะขึ้นชื่อว่าสังขารน่ไม่เคยคงที่ขึ้นชื่อว่าสังขารคือกองทุกสังขาราปรมาทุกขาสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าสังขารเป็นทุกอย่างยิ่ง คำามทุกของสังขาร น, นั้นพวกเราอาจได้ยินอ า, อาจจะเข้าใจแค่คําว่าร่างกายเจ็บร่างกายปวดเป็นโรคนู้นเป็นโรคนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นอย่างนี้ที่ว่าสังขารร่างกายเป็นทุกข์แท้ที่จริงความไม่คงอยู่ในสภาพเดิมเป็นเหตุให้มีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ ง, เ ป, ป เ, ปงเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้นี่คือความไม่อยู่เท่าเดิมของมัน เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดโรคน้นไม่เคยเกิดมันก็เกิดโรคนี้ไม่เคยเป็นมันก็เป็นแล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปตามภาวะตามเหตุตามปัจจัยที่มันจะมีจะเป็นเพราะมันไม่อยู่เท่าเดิมนี่เองมันเปลี่ยนไปเป็นนู่นมันเปลี่ยนไปเป็นนี้เราอยู่ดีมีสุขมีกําลังวังชามีเรี่ยวมีแรงอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เราต้องการให้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอยู่ไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยในภายในเนี่ยมันพลิกไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อย ความเปลี่ยนไปนั่นแหละมันเป็นกิริยาทําให้บางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เกิดก็เกิดบางสิ่งบางอย่างยังไม่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนก็เหมือนตั้งแต่เราเกิดมานะบางคน อ, อยู่สุขสบายร่างกายมีเป็นปกติธา ร, รมดอยู่ไปอยู่ไปโอ้เหตุปัจจัยอันนั้นหนักเกินอันนี้หนักเกินอ้วนขึ้นมาอย่างเงี้ยบางคนก็โรคนั้นมาเกาะโรคนี้มาพันเข้าไปแล้วนี่คือความไม่อยู่เท่าเดิมของมัน คุณชื่อว่าสังขารเน่เป็นทุกเป็นทุกอย่างนี้เป็นทุกของสังขารตามลักษณะของอริยสัจสอริยสัจสี่ความทุกคือสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่คือความทุกอ่แท้ที่จริงคำว่าทุกคำว่าทุกในทีน่นี้รวมไปถึงรูปธรรมของเรารวมไปถึงนามธรรมของเรารูปธรรมของเราก็คือร่างกายของเรานามธรรมก็คือจิตใจของเรา เป็นตัวผลเป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์อันนี้เป็นตัวผลไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆมีเหตุให้เกิดเราดูไปที่หลักอริยสัจจีมีเหตุให้เกิดเหตุก็คือสมุทยัยสมุทัยก็คือตันหาตันหาคือความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการจะระงับดับทุกข์เหล่านี้เราจะต้องมาดับที่เหตุ ดับที่เหตุคือดับที่อะไรดับที่ตันหาในหัวใจของเราเพราะดับตันหาได้สังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ดับการสงบระงับดับสังขารทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสุขอย่างยิ่งเตะสร้างูปสโมโสุขโขนการเข้าไปสงบระงับดับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขอย่างยิ่งเหมือนพระสงฆ์สาวก พ, พระอริยาสาวก พ, พระพุทธเจ้าท่านดับได้แล้วเป็นบรมสุขเป็นความสุขอย่างยิ่ง นี่คือกองสังขาร <c oughs> สังขารเกิดจากอำนาจของความอยากร่างกายของเราเกิดจากอำนาจของตันหาจริงหรือเกิดจากอำนาจของตันหาจริงหรือเปล่าเกิดจากอำนาจของตันหา เราเคยยกตัวอย่างเพื่อจะให้เราเห็นตัวอย่างง่ายๆเราย้อนไปเราย้อนไปจนถึงในท้องแม่สังขารของเราไปโผล่ในท้องแม่เกิ <c oughs> ดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความอยากในใจของพ่อความอยากในใจของแม่ตัณหาในใจของพ่อตัณหาในใจของแม่ประกอบการเจริญพันธุ์ทำให้ธาตุดินของพ่อของแม่ ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบกันเป็นกองสังขารเป็นก้อนสังขารในท้องแม่นั่นคือก้อนสังขารของเราเราดูไปตรงนั้นเราเห็นที่ไปที่มาของอัตภาพร่างกายของเราเห็นที่ไปที่มาของอัตภาพร่างกายของเราเราเกิดตรงนั้นเราบัติตรงนั้นในอัตภาพนี้ในอัตภาพอื่นๆก็เช่นเดียวกันอัตภาพที่เป็นมนุษย์ยกเว้นแต่โอปปาจิกะไปเกิดตามอำนาจของกรรมไปเป็นสัตว์นรก ก็ไปโปรขึ้นมาได้เลยไปผุดขึ้นมาได้เลยไปเป็นเทวดาก็ผุดขึ้นมาได้เลยโอปะปาติกะกำเนิดแต่สลับต้องไปเกิดในคันเหมือนอย่างพวกเราก็ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่ถ้าเป็นสัตว์ก็อาศัยตัวผู้อาศัยตัวเมียมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ตั้งเป็นกำเนิดขึ้นมาตันหาในใจของพ่อตันหาในใจของแม่ประกอบกับใจของเรามีตันหามีกิเลสตันหาในใจ เที่ยวแสวงพบสแสวงชาติไปสแสวงไปจับไปจองไปหาที่เกิดก็ไปเกิดในจังหวะที่พอดีพอดีไปเกิดในท้องแม่ในขณะที่ไปประกอบกัน ท, ท, ที่ที่เรียกว่าลงถือปฏิสนธินับตั้งแต่วิธาวินาทีนั้นเป็นต้นไปสังขารเหล่านั้นก็เจริญวัฒนาถาวรไปไม่เคยอยู่เท่าเดิมจะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเราดูให้เห็นเป็นกลุ่ยหมายปลายทางเพื่อที่เราจะได้มาพิจารณาในการที่เราจะ พิจารณาอัตภาพร่างกายของเราให้เกิดความสลดให้เกิดความสังเวชในใจของเราไม่เคยอยู่เท่าเดิมเป็นก้อนน้ำใสๆน้ำเล็กๆมองไม่เห็นขยายมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยเป็นน้ำร่างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขามีหัวมีแขนมีลำตัวมีขาอยู่ในท้องแม่เจ็ 7, 8, 9, 9, เดือน8ดเดือน9้าเดือนออกมาคลอดออกมา เพราะสังขารเหล่านี้ไม่เคยอยู่เท่าเดิมการไม่อยู่เท่าเดิมของสังขารนั้นน่ ะ, ะเหมือนกับโรงงานโรงงานหนึ่งสังขารนี่จะทำงานทั้งวันทั้งคืนในนั้นมันบทมันย่อยเหตุปัจจัยของมันอยู่ในนั้นน่ะเราอยู่ในท้องแม่เราก็ดูดเลือดดูดเนื้อจากจากแม่นั่นแหละไปเลี้ยงมีสายรกสายสะดือดูดไปเลี้ยงอัตภาพร่างกายของเรานั่นดินน้ำลมไฟของแม่ประกอบกับของพ่อ เป็นรูปพันสันฐานเป็นลักษณะการอุบัติการถือกำเนิดของมนุษย์เป็นมาแล้วจากนั้นก็แม่เป็นคนเลี้ยงเป็นคนอุ้มชูประคับประคองอยู่ข้างใ น, นดูดเลือดดูดเนื้อจากแม่กินเป็นประจาเราดูมาตรงนี้เราจะเห็นบุญคุณของของแม่บุญคุณของพ่อเพราะเนื้อหนังมังสังของเราเราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่จริงๆเราไม่ได้เอาเลือดสักหยดหนึ่งไปเกิดในท้องแม่ เป็นเลือดของพ่อเป็นเลือดของแม่ประกอบกันในท้องแม่เรามีแต่วิญญาณ <c oughs> มีแต่วิญญาณไปจับจองไปจับจองในในคันของแม่ไปกับบุญกับกรรมไปตามบุญตามกรรมเพราะว่าจิตของเรามีตัณหาจิตของพ่อแม่ก็มีตัณหาจิตของเราก็มีตัณหาประกอบกันนี่คือการอุบัติเกิดขึ้นมาเรารู้ที่ไปที่มาของรูปธรรมของเรา รู้ที่ไปที่มาของรูปธรรมสําหรับเราจะเอามาพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางกองสังขารก่องนี้แหละไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เนีเราสงบระงับสังขารสังขารที่เราปรุงภายในใจปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกปรุงอะไรต่ออะไรสารพัดอันนี้คือก่องสังขารสังขารที่กิเลสตัณหามันพาเราปรุงเรานึ ก, เ ร, นกเราคิดเราหยุดสงบ ระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขเราสงบระงับได้ยังไงเราต้องการให้ใจของเราได้รับความสงบเราก็เอามาบริกรร ม, มาภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาอารมณ์รรมมากํากับให้ใจของเราได้รับความสงบถ้าใจเราไม่สงบใจของเราก็ถูกตัณหามันปรุงวุ่นอยู่อย่างนั้นแหละปรุงเรื่องรักปรุงเรื่องชงังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาริษยาเรื่องพยาบาทเนี่ยตัณหามันปรุงขึ้นมานะ การปรุงก็เป็นเรื่องของสังขารเป็นกองสังขารสังขารรูปสังขารนามมันปรุงอยู่อย่างนั้นแหละเราสงบระ ง, งับให้จิตของเราสงบในระหว่างที่มันปรุงมันปรุงให้เรานึกคิดตามอำนาจของตันหาคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเพราะเป็นคอยจรของมันเป็นคอจรของตันหามันจะต้องปรุงไปตามแนวตามแถวไปตามอยู่ในกรอบอยู่ในขอบข่ายจักรวาล ของเกลียดตัณหาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพอตภ ะ, ะธรรมารมที่เขาเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกเกิดความปรุงเราต้องการให้สงบระงับเราก็มาให้อยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาจิตมาบริกรรมพุโทโธให้มันเด่นเพื่อที่จะเพื่อที่จะดึงจิตไม่ให้มันไปคิดนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส อ, อันเป็นเหตุให้ตัณหามาสวมรอยเอาจิตของเราไปใช้เพราะฉะนั้นเราภาวนาอยู่อย่างนี้แหละจนใจของเราอิ่มอิ่มอารมณ์อิ่มอารมณ์คําว่าพุทโธเราป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปสักหน่อยนึ่จะอิ่มอารมณ์อิ่มอารมณ์ถึงเราจะไม่บริกรรมพุโทโธจิตของเราก็ไม่ไปแน่จิตสงบจิตสงบเมื่อก่อนนั้นจิตไม่สงบจิตไม่อิ่มจิตหิวหิวอารมณ์ หิวอารมณ์ก็คือหิวรูปหิวเสียงหิวกลิน่นหิวรสหิวสัมผัสนั่นแหละมันหิวมันดิ้นรดยรนยตามอํานาจของความทเยอทายานสังขารเหล่านี้ถ้าหากเราไปสงบระงับได้ด้วยสมถะเราก็มีความสุขขั้นสมถะแต่ถ้าหากเรามาพิจรารณาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นเพื่อไปสงบระงับดับตันหาซึ่งเป็นต้นต่อของสังขารทั้งหลายทั้งปวงด้วยแล้วอันนั้นถึงบรมสุขอย่างแท้จริง การที่เราจะเข้าทําไมเราจะเข้าไปสงบระงับดับกองสังขารเหล่านี้ได้ตราบใดที่เราสงบระงับยังไม่ได้ภพชาติของเราก็จะเป็นไปตามพฤติกรรมของเราสมมุติอัตภาพนี้เราทําดีมากเราก็ไปเกิดในที่ดีทําดีน้อยก็ไปเกิดในที่ไม่ดีภพชาติของเราก็ขึ้นขึ้นต่ำขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำต่ำขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ําๆตามอานา ต, าตาๆๆพฤติกรรมที่เราทํา กายกรรมของเราไวจีกรรมของเราโมโนกรรมของเราแสดงไปตามอํานาจของกรรมที่เราทําเราทํายังไงผลกรรมเหล่านั้นก็ตกผลึกเป็นเหตุให้เราได้ไปอบัติที่นู่นไปอบัติที่นี่เพราะเราสงบระงับดับยังไม่ได้เพราชาติของเราก็มีอยู่ร่าไปไม่จบไม่สิน้นการที่เราไปสงบระงับดับตัณหาได้นั่นแหะเป็นเจ้าเป็นจอมของกองสังขารทั้งหลายทั้งปวง สังขารทั้งหลายจึงจะสามารถสงบระงับได้อย่างแน่นอนมั่นคงไม่มีเป็นอีกไม่มีเกิดอีกเหมือนอย่างพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานเป็นต้นเราทำยังไงเราจะสามารถสงบระงับได้เราสงบระงับวิธีหนึ่งก็คือสงบระงับด้วยอานาจสมถะไม่ให้มันนึกมันคิดมันปรุงเพราะมันนึกมันคิดมันปรุง บางทีนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาปรุงไปปรุงมาฟุง้งฟุ้งเอาไม่อยู่ทุกข์เหลือเกินบางทีก็อยู่ๆนี่แหละนึกถึงเรื่องรักนึกถึงเรื่องชังนึกถึงเรื่องชังก็ยิ่งเครียดยิ่งเกลียดยิ่งชังขึ้นมาเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนึกถึงเรื่องรักก็ยิ่งรกักก็ไปสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งมาพันอยู่ในหัวใจของเราทําให้เราได้รับความทุกข์อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนี่เพราะสังขารมันไปกวนอํน า, านาจตัณหาเหล่านี้มันไปกวนเรา เพราะฉะนั้นเราต้องการสงบระงับเราก็ต้องเอาจิตของเรามาภาวนาภาวนาให้ใจของเราได้รับสงบได้รับความสงบจริงๆเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนสอนให้เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธบางทีก็กำกับด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทธโธพุทธโธพุทธโททธอืม เราก็ได้รับความสงบจิตของเราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมจิตยังไม่เข้าถึงความละเอียดถึงความชัดเจนความจริงแต่เราสามารถสงบระงับดับตันหาให้มันอยู่ให้มันหยุดหยุดมันซะก่อนไม่ให้มันนึกมันคิดมันปรุงจนกว่าเราจะคลี่คลายค้นหาตัวตัวของตันหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ <c oughs> อันนี้วิธีหนึ่ง วิธีหนึ่งก็เราพิจารณาเมื่อเรามีความสงบมีกําลังใจมีความสงบแล้วท่านให้มาพิจารณาการพิจารณาเราบรรลุจะพิจารณายังไงได้ดีให้เราจับหลักมหัศติปฐานเพราะหลักมหาสติปฐานนี่แหละมันเป็นการพิจารณาได้เป็นอย่างดีหลักมหาสติปฐานอารมณ์ของหลักมหาสติปฐานท่านเอามากกาย เ อ, เอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาจิตเป็นอารมณ์เอาธรรมเป็นอารมณ์กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ท่านให้มากําหนดจดจอ่อมาตามรู้ตามเห็นตามพิจารณากายตามพิจารณาเวทนาตามพิจารณาจิตตามพิจารณาธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องทําทั้งหมดเพราะถนัดกับถนัดกับหัวข้อธรรมอันใดแล้วก็กําหนดจดจอกับหัวข้อธรรมอันนั้นกําหนดกายเพราะ ตัณหามันพาดพิงมาที่กายมันมายึดกายกําหนดเวทนาเพราะตัณหามันพาดพิงมาที่เวทนามันพายเรายึดเวทนาจิตก็เหมือนกันตัณหามันพาดพิงมาที่จิตเราอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกายกับเวทนาโดยเฉพาะคิดนึกอยู่ภายในจิตแท้ที่จริงในจิตมันเป็นจุดรวมทั้งหมดความรู้สึกนั่นแหละ มันเป็นจุดรวมมันเป็นที่ประชุมของธรรมทั้งหลายทั้งปวงความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้มันมีเกณฑ์ให้เราคิดตามพิจารณาตามเกณฑ์ของความรู้สึกก็คือรู้สึกอย่างหนึ่งอ่ายินดีรู้สึกอย่างหนึ่งยินร้ายหรือว่ารู้สึกอย่างหนึ่งสุขรู้สึกอย่างหนึ่งทุกข์อันนี้คือเกณฑ์ของความรู้สึกไม่ใช่มันสักแต่ว่ารู้สึกรู้เฉย มันรู้สึกแล้วตันหามันสวมสวมรอยเข้ามาถ้าเป็นเหตุให้น่ายินดี ม, มันก็ยึดถ้าเป็นเหตุให้น่ายินร้าย ม, มันก็ยึดไอ้ที่จะมาเห็นแล้วอยู่เฉยๆไม่ยึดไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งยินดีทั้งยินร้ายจึงเป็นเรื่องของตันหามันสวมรอยมันแทรกเข้ามาบางทีอทุกข์ขมสุขไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นกลางๆกลางๆเพื่อจะเอียงไม่ยินดีกลางๆงเพื่อจะเอียงไปเพื่อไม่เย็นเพื่อยินร้าย จะเอียงไปเพื่อยินดีจะเอียงไปเพื่อยินร้ายท่านจึงให้มาจับความรู้สึกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้คือเวทนาเวทนานี่แหละมันเป็นจุดรวมมันเป็นที่รวมของมธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราจับมาตรงนี้มันถูกทั้งหมดมันอยู่หมัดทั้งหมดตัณหานะ่ะมันพร้อมที่จะแทกเข้ามาในหัวใจของเราเนี่ยพรุนไปหมดเราไปดูท่านพูดเอาไว้ในหลักมหาสติปัฏฐาน หลักมหาเศรษฐีประธานท่านพูดถึงอารมณ์ที่ตันหามันจะพึงแทรกเข้าเข้ามาในหัวใจของเราเนี่ยเป็นรูปพรุนไปหมดเลยหกสิบหกสิบช่องสําหรับตันหามันจะแทรกเข้ามามาแทรกเข้ามาที่ตาก็ได้แทรกเข้ามาที่รูปก็ได้แทรกเข้ามาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับใจแทรกเข้ามาที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัส มันเป็นที่เกิดของตัณหาเพราะตาเอายรูปเอยมันเป็นที่รักมันเป็นที่ยินดีเป็นที่ที่ตัณหาจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ต้องไหนตรงตาตรงหูตรงจมูกตรงลิ้นตรงกายตรงใจนี่แหละตัณหามันแทรกเข้ามาตัณหามันแทรกเข้ามามันเป็นที่ปรากฏชัดอยู่ที่จิต Wh. เพราะฉะนั้นเรากำกับมาที่จิตกำกับกำกับมาที่จิต เราจึงใช้จิตพิจารณาใจจิตพิจารณากําหนดจดจอ่อพิจารณาอารมณ์ของจิตนั่นแหละพิจารณาอารมณ์ความยินดีของจิตพิจณิพิจา ร, รณาอารมณ์ความยินร้ายของจิตมันเกี่ยวข้องกับกายสมมุติอย่างพิจารณากายเนะี่ยพิจารณากาย ก, าก็กําหนดจดจ่อพิจารณากายสักจะว่ากายไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ให้ความรู้สึกว่ากายเราโผล่ขึ้นมาไม่ให้เกิดความรู้สึก ว่ากายเรากายของของเราเรามีในกายกายมีในเราเราเป็นกายกายเป็นเราใช้สติกำหนดจดจ่อโรสว่างอยู่การใช้การใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่พน้นไม่พ้นอาศัยสมาธิอาศัยสมาธาิสมาธิก็คือเราทำใจให้ได้รับความสงบพิจารณาอยู่กับเรื่องเดียวบทเดียวจนจิตเราสงบจิตเรามีพลัง เสร็จแล้วก็เอามาเจริญตามหลักมหาสติเป็นการมหัศพิจารณาพิจารณาตามหลักมหาสตินี่เองเราจะพิจารณากายกายเวลาเรากําหนดไปก็จะเห็นอะไรนอกจากเราไปตั้งสัญญาแล้วก็มาแยกแยะเป็นรูปปริมิตรในกายของเราหรือเราดูสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าของเราคือลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจโดยหลักธรรมชาติเอง เราตั้งใจก็หายใจเราไม่ตั้งใจเขาก็หายใจเรานอนหลับเขาก็หายใจเราไม่เจตนาเขาก็หายใจอยู่นั่นแหละเพราะอันนี้เป็นเป็นระบบใหญ่ของร่างกายเรามาจับธรรมชาติเหล่านี้เรามาจับธรรมชาติเหล่านี้เพื่อให้จิตอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวนี่อันนี้ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งเป็นสัจจะความจริงอย่างหนึ่งนี่เป็นอารมเป็นอารมของกายหรือบางทีเราก็ย้อนมาที่จิต จิตของเราจิตยินดีพยายามจับความอยากภายในจิตของเราความอยากนั่นแหละมันทำให้เรายินดีความอยากคือตัณหาเนี่ยมันทำใหเรายินร้ายทำให้เราอิจฉาริสยาพยาบาทมาเรื่องอานาจของความอยากเท่านั้นแหะดูมาที่ใจของเราเราสังเกตที่ใจของเราถ้าเราพยายามตั้งใจสังเกตเราจะเห็นความอยากมันดีดดิ้นอยู่ในหัวใจของเราตัณหาในหัวใจของเราเน่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับธาตุรู้คือผู้รู้ของเรา ผู้รู้เราเกิดมากี่กับกี่การกี่บุเรชาติมาแล้วเรารู้ไม่ได้หรอกไม่ว่าเราไม่ว่าท่านเราเดูเดพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีสีอ่สองไขแสนหมากับนี่พอรประมาณคือระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเนิ่นานานถึงขนาดนั้นเรายจาว่าแต่ท่านนั่นระลึกได้ว่า บ, บุปชาติท่านมากมายมหาศาลเราบางทีมากกว่าพระองค์อีกอเพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงชี้ไปที่ว่าไอ้ความไม่รู้ของเรานั่นแหล ะ, ะความไม่รู้ของเราเนี่ย เป็นเหตุให้พัฒนามาเป็นกองสังขารมาเป็นพบมาเป็นชาติเนี่ยเราไปไล่ดูตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะท่านตั้งเอาไว้ที่อวิชชาอาวิชชาอาวิชชาเลยเลยเป็นหลักปรัชญายชั้นเยี่ยมหลักปรัชญายชั้นเยี่ยมคืออวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้เราทําผิดทุกอย่างทุกเรื่องความไม่รู้เนี่ ย, ยทำให้เรายึดทุกอย่างทําให้ยึดทุกเรื่อง ถ้าให้เราทําอะไรตามใจชอบทุกอย่างทําอะไรตามใจชอบทุ ก, ทกเรื่องเรามาสมมติดูว่าบางกลับบางกับเราเกิดมาเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเลยเนี่ยเราจะอยู่ยังไงในเมื่อมีอารมณ์ยินดีมาเราก็ยึดเมื่อในเมื่อมีอารมณ์ยินร้ายมาเราก็ยึดเพราะตัณหามันมีอยู่ในใจมันเกิดมาพร้อมกับผู้รู้ของเราอ่ามันเป็นธาตุดิบ ที่เรายังไม่ได้สักยังไม่ได้ฟอกมีใครไปเอาตันหาจากไหนมาแจกมาแบ่งแจกกันไม่มีมันพัฒนามากับผู้รู้ของเรานะพระพุทธเจ้าของเราท่านพัฒนาผู้รู้ของท่านจนถึงผู้รู้หนึ่งเดียวชะล้างออกจนหมดเหลือผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์แล้วก็ท่านไม่เรียกสังขารท่านไม่เรียกกองสังขารผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์นั้นอ่ะท่านไม่เรียกกองสังขารแต่สำหรับผู้รู้ของเราพวกเราทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้รู้ประกอบไปด้วยสังขารนึกดีนึกชั่วปรุงดีปรุงชั่วปรุงบาปปรุงบุญปรุ ง, ร ง, รงอะไรต่ออะไรสรารพัดแต่ท่านพัฒนาไปจนถึงที่สุดแล้วเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีไม่มีไม่มีสังขารอย่างอื่นไปยุแหแย่ไปก่อกวนภายในใจของพระองค์ท่านจึงว่าอาวิชชาอาวิชชาอาวิชชาพระเราเกิดมาแล้วกี่กับขี่การปุเรชาติมาแล้วทีนี้เรามาทดสอบดูว่าอาวิชชาใหม่มันเกิดขึ้นได้ยังไง ในขณะที่เราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธถ้าหากเราปล่อยให้สติของเราเบาบางไปตัณหามันก็แทรกเราปล่อยให้สติของเราเบาบางไปอวิชชามันก็ครอบอวิชชากับตัณหากับอุปาทานเนี่ยมันอันเดียวกันอวิชชาตัณหาอุปาทานกิเลสเนี่ยอันเดียวกันมันเกิดขึ้นจากอานาจของตัณหาแต่หากเราไปเรียกตามกิริยาอาการแต่ละอย่างแต่ละอย่างของมันเท่านั้นเองเราเผลอปั๊บอวิชชาก็มาครอบ ในขณะที่เราพุดโธพุทโทพุทโธจิตของเราสว่างตื่นรู้อยู่สติของเราะเระลึกได้เป็นการปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้โรคจิตของเราสว่างอยู่ตอนนี้อวิชชามันครอบไม่ได้แต่ถ้าเราทาไปเราทาไปเราอ่อนอวิริยะของเราอ่อนความเพียรของเราอ่อนสติของเราอ่อนพอเริ่มอ่อนไปปั๊บอวิชชามันครอบนี่คืออวิชชาใหม่ พระชนกการตั้งใจปฏิบัติท่านจึงให้สัมรวมระวังสัมรวมคือสังวรประทานสังวรประทานก็คือสังวรสัมรวมระวังเพื่อไม่ให้ตันหามันเกิดตันหาใหม่ไม่ให้เกิดแต่ตันหาเก่ามันส่งเรามาแล้วตันหาใหม่เราพยายามสังวรสัมรวมระวังไม่ให้มันเกิดในเมื่อมันไม่เกิดต่อเนื่องกันไปยาว ยืดไปด้วยด้วยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาจิตอยู่กับพุทธโธหรือไม่จิตอยู่กับหลักมหาสติจิตของเราเป็นอิสระตัณหาแทรกไม่ได้ตัณหาใหม่เกิดไม่ได้ผลเพิ่มของบาปของกรรมเพิ่มไม่ได้แต่ผลเก่ามันยังมีอยูอ่ผลเก่ายังมีอยู่เราตั้งใจภาวนาเพื่อละตัณหานั้นถ้าเราจะเทียบเหมือนกับเรานั่งเรือข้ามฟ้าแต่เรือของเรามันรั่ว เราต้องอุดรูรั่วซะก่อนเพื่อมให้น้ําใหม่มันเข้าไปในเมื่อ น, น้ําใหม่ไม่เข้าไปน้ําเก่าที่มีอยู่ในนั้นอะ่ะมันทําให้เรือเราหนะ่ะเราก็วิทออกวิทย์ออกวิทยออกวิทยออกวิทย์ไปเท่าไหร่ถ้าเบื่อไม่มีน้ําใหม่เข้าไปน้ํามันก็หมดไปเท่านั้นแหละการตั้งใจบําเพ็ญเพื่อให้กิเลสตัณหาในหัวใจของเรามันบกมันพร่องไปหรือมันหมดไปก็เช่นเดียวกันหยุดไม่ให้ของใหม่มันเกิดขึ้น ท่านจึงใช้คำว่าสังวรประธานสังวรสังวรอินทรีย์สังวรสํารวมตาสัมรวมหูสํารวมจมูกสํารวมลิ้นสํารวมกายสํารวมใจสรุปลงมารวบยอดที่สํารวมใจสัมรวมตาก็คือสัมรวมใจสํารวมหูก็คือสัมรวมใจสํารวมจมูกสํารวมลิ้นก็คือสํารวมใจสํารวมที่ใจมีสติคํากับที่ใจสติเป็นคุณสมบัติของจิตเกิดที่จิต เกิดขึ้นด้วยอารมณ์อันเดียวกับจิตตั้งอยู่พร้อมกับจิตดับไปพร้อมกับจิตอันเดียวกันแต่หากมันเป็นช่วงหนึ่งขณะหนึ่งที่จิตของเราตื่นรู้อยู่นั่นแหละตัวนั้นแหละคือตัวสติตัวสติธรรมสติเกิดขึ้นมาพร้อมกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเวลาสติมันเต็มแปร่ที่เรากำหนดจดจอดรู้อยู่เราระลึกระลึกถึงสัมปชัญญะดูมันอยู่ด้วยกัน สัมปชัญญะคือความรู้ตัวมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละสติสัมปชัญญะอันนี้แหละคือคุณสมบัติที่จะแปลงให้เกิดปัญญาเกิดปัญญายานเกิดรู้เกิดเห็นเกิดยาณทัศนะ์ตามตามรู้ตามเห็นจริงที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเราจะเห็นอยู่อย่างนี้นี่คือเราตั้งใจที่จะสงบระงับดับกองสังขารก็คือดับตัณหาเราดับตัณหาได้เราก็ดับกองสังขารได้อ่ เราด so, well. so eh. uh, ับตันหาไม่ได้เราก็ดับกองสังขารไม่ได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสงบระงับดับตันหาเหล่านี้ได้สังขารทั้งหลายก็ดับหมดเหมือนอย่างท่านพูดถึงสายเกิดน่ะสายเกิดกิเลสเกิดคืออวิชชาเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายัตนะอายตนะหเป็นปัจจัยเกิดผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเนี่ อวิชชาเวลามันเกิดนะมันจะเกิดเกิดเกิดเกิดโดยลําดับทีนี้สมมติว่าเราระงับดับอวิชชาได้เช่นอย่างเราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนะี่ยหรือนั่งนั่งกำนั ง, น, งนั่งกำหนดจดจอด่อดูเวทนานยินดีรู้ว่าบินยินดียินร้ายรู้ ว, วินร้ายเห็นสักตรวาเห็นรู้รู้ว่าดีอยู่แต่จิตมันไม่ยินดีด้วย รู้ว่าไม่ดีอยู่แต่จิตมันไม่ยินร้ายด้วยที่ว่าจิตของท่านเนี่ยละเอียดจิตพระอารหัน์ที่ท่านชะได้แล้วเนี่ยอ า, อารมณ์ทั้งหลายไม่ซึมไม่กำซาบลงไปในนั้นเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวใบบัวเนี่ยถ้าเราสาดน้ำเข้าไปบนใบบัวเนี่ยน้ำน้ำจะกลิ้งเป็นเม็ดเมดแล้วก็ตกไปกลิ้งเป็นเม็ดเมแล้วก็ตกไปมันไม่ซึมไปในใบบัว กิจของพระอาหารหันต์ที่ท่านมีสติสัมมชัญย์กํากับโโรอยู่สว่างอยู่นั่นน่ะอารมณ์มันไม่ซึมซาบเข้าไปปรุงไปยืดไปเยือ้อยื้อทียาวเป็นเหตุให้เราต้องหลงกลอบายทําให้เกิดตัณหาเพิ่มภูณทวีคูณไม่จบไม่สิน้นเห็นแล้วก็จบเห็นแล้วก็จบเห็นรู้อยู่ว่าดีแต่ไม่ยึดรู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ไม่ยินร้ายไม่ยึดสักแต่ว่ารู้แล้วก็ รู้แล้วก็ตกไปรู้แล้วก็ตกไปรู้แล้วก็ตกไปรู้แล้วก็ตกไปหมายความว่าอวิชชามันเกิดไม่ได้ในเมื่อมันเกิดไม่ได้มันก็ดับมันดับก็คือมันดับตั้งแต่นั้นน่ะดับตัณหาตัณหามันดับถ้าพูดถึงว่าสายปัจจิการสายปัจจยิการทั้งสิบสองน่ะเวลามันเกิดมันก็เกิดโดยลําดับน่ะเวลาสมมติเราจะมาแยกแยกมันก็เกิดโดยลำจนถึงโสกปริเทวทุกขโทมนะสอุไปยาดเวลามันดับ ตัณหามันดับมันก็ดับมาตั้งแต่นู้นในเมื่อมันมีวิชาโรคตัณหาไม่เกิดอ่าชังขานก็ไม่เกิดหมายความว่าตัณหาไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดคือตัณหาตัณหามันดับนามรูปมันดับนามรูปมีอยู่แต่ว่าตัณหามันดับอ่าพัฒมีอยู่สลายตนะมีอยู่แต่ว่าความอยากมันดับความอยากในใจมันดับอ่าเวทนามีอยู่ แต่ไม่ยึดมันดับคือตัณหามันดับตัณหาคือความอยากในเมื่อเราพยายามทําจิตทํำสติทำพยายของเราให้ใหญ่เพื่อที่จะไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้าไปได้มันไม่มีวิธีไม่มีคนไม่มีอบายที่จะไปแทรกได้ในที่สุดก็พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเขามันมันก็สามารถหยุดชะลอสงบระ ง, งับดับลงไปได้นี่คืออํานาจตัณหาในหัวใจเขามันสงบระ ง, งับดับไปได้ เราจะมาจับยอดของธรรมที่ประชุมรวมของธรรมเลยก็ได้เอาบทตรงนี้แหละมาบทกำกับพิจารณาเราจะพิจารณากายก็ตามดูความยินดีดูความยินร้ายคำนดจดจอ่อลมก็ตามให้ศักดทว่าเป็นลมไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายตราบใดที่ยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดเนี่ยตัณหามันยังไม่แทรกตัณหามันยังไม่แทรก ช่วงที่มันจะต่อไปเป็นอุปาทานมันก็ดับคือตันหามันดับในเมื่อเรากําหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้ตันหามันดับมันดับดับดับับับเราไปดูสายเกิดมันเกิดเกิดเกิดเราไปดูสายดับไปล้มันดับดับดับดับับดับไปจนถึงโศกปริเทวทุกขโทมนัสสอุปายญาติปฏิจจะสมุปบาทบางอย่างมันก็หมดไปมันก็หายไปเช่นอย่างตันหามันหายไปอุปาทานมันหายไปสมมุติมันดับนะ สมมติเราดับระงับตันหาได้ในเมื่อตันหามันหมดไปแล้วอุปาทานมันก็ดับพบมันก็ดับคือที่หมายที่จะไปเกิดที่นู่นที่นี่และผู้ที่จะไปเกิดตามตามจิตที่หมายมันก็ไม่มีมันดับดับดับดับเราไม่ต้องไปหาโสกปริเทวะทุกขโทมนัสนสักทีไหนมันดับสายนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตันหาเป็นต้นไปตันหาอุปาทานถึงพบถึงชาติมันดับดับไปหมดดับไปหมด ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่วิญญาณเรายังมีอยู่แต่ตัณหาในนั้นมันดับนามรูปเรายังมีอยู่ใจของเรายังมีอยู่กายของเรายังมีอยู่แต่ตัณหามันดับตัณหามันดับผัสสะของเรามีอยู่ตาของเราอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกกระทบอยู่แต่ตัณหามันดับทำไมมันจึงดับเพราะสติเรากล้าปัญญาเราแข็งตัณหามันสวมรอยเพื่อรักเพื่อชังเพื่อโกรธเพื่อเกลียด เพราะอิจฉาทิษยาพยาบาทมันแทรกเข้ามาไม่ได้นี่มันก็ดับในเมื่อสมุทรไทยมันปรุงไม่ได้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดับเรากําหนดทุกข์แล้ย้อนไปดูสมุทรไทยเวลาทุกข์มันจะเกิดมันเกิดจากสมุทรไทยทำงานถ้าสมวเมื่สมุทรไทยทำงานได้ความทุกข์มันก็เกิดถ้าสมุทรไทยทำงานไม่ได้ความทุกข์มันก็ดับเนี่ยเหตุอันหนึ่ง ทำให้เราทําให้เราได้รับผลคือความทุกข์ในในหลักอริยสัจสี่นิโรธมักมักเป็นเหตุเป็นเหตุให้เราดับทุกข์มักเป็นเหตุเหมือนกันเป็นเหตุดับทุกข์สมุทัยเป็นเหตุกันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้ผลิตทุกข์แต่มักเป็นเหตุดับทุกข์ระงับทุกข์พอระงับดับได้เป็นนิโรธเป็นนิโรธเนี่ยคือตัณหามันดับ เราพูดถึงตันหาพูดพูดถึงตันหามากมายมหาศาลเราดูไปที่ไหนเราเห็นที่ไหนย้อนมาที่ใจของเราเดี๋ยวนี้เราพยายามย้อนมาแล้วมากําหนดจดจ่อดูว่ามันรักอะไรมันชอบอะไรมันยึดอะไรมนันดีกับอะไรจับยินร้ายกับอะไรจับในที่สุดว่าแต่ความรู้สึกอะไรโผล่ขึ้นมาท่านให้จับความรู้สึกนั่นแหละมันเป็นเรื่องของเวทนามันจะเปลี่ยนไปเป็น เป็นเรื่องยินดีมันจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องยินร้ายถ้าเรามาหลวมตัวให้กับมันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันเป็นยินดีตันหาแทรกเข้ามาแล้วลเดี๋ยวมันเป็นยินร้ายตันหาแทรกเข้ามาแล้วในเมื่อตันหาแทรกเข้ามาอุปาทานมันก็ตามมามันยึดโดยหลักธรรมชาติยึดโดยหลักอัตโนมัติของมันเพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจรู้อยู่ตรงนี้กับความรู้สึกรู้สึกอะไรขึ้นมาจับรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ยจับรู้สึกอะไรขึ้นมาค่ยจั บ, าา จ, บจากนั้นแล้ว เราก็พิจารณากายเราพิจารณาร่างกายในเมื่อเราทันจิตของเราเราสงบประงับดับตัณหาภายในจิตของเราได้ nochmal. จิตของเราได้รับความสงบนะจิตของเราได้รับความสงบอเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอาปัญญาที่เราได้รับจากความสงบของสมาธิจากอบยวิธีที่เราพิจารณาตามหลักมหาจิปัญญานี่เองมาพิจารณาอัตภาพร่างกายของเราการพิจารณาอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยพิจารณาเพราะว่าเราหลงกายเราหลงกองสังขารกาย เราไม่รู้ที่ไปที่มาของกายเราจึงหลงเพราะฉะนั้นเราหัดพิจารณาที่ไปที่มาของกายย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปโดยเหตุที่เรามีทุกนู้นมีทุกนี้มีโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นมาเบียดเบียนเพราะว่าเรามีอัตภาพร่างกายเพราะเรามีอัตภาพร่างกายย้อนไปกายนี้มันมาอย่างไหนมันอยู่ยังไงมันไปยังไงย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปถึงในท้องแม่โอ้กายเราอุบัติขึ้นมาจากธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ ได้มาจากาธาตุของพ่อาธาตุของแม่ประกอบกันในท้องแม่แล้วก็เจริญวัฒนาถาวรมาเป็นรูปธปรรมในขณะเดียวกันก็มีนามธรรมเข้าไปเกาะนี่ที่ไปที่มาของรูปธปรรมเสแล้วหลังจากที่รูปธรรมเหล่านั้นมาเกาะกลุ่มกันแล้วนี่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมโตขึ้นมาแก่ขึ้นมาภาษาธรรมะท่านใช้คําว่าแก่แก่มาเรื่อยแก่เขามืเรื่อยแก่เขามืเรื่อย 7, 8, 9, 9, แก่เขามืเรื่อยเดเดือนแปดเดือน9้าเดือนก็คลอดออกมาแต่ว่ากองสังขารกองนั้นเนี่ย เหมือนโรงงานโรงหนึ่งเป็นกองงานกองหนึ่งจะไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ทํางานสับเปลี่ยนยึกยักยึกยกอยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลาไม่เคยนิ่งอยู่กับที่แม้แต่เราออกมาจากท้องแม่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาป้อนด้วยข้าป้อนด้วยน้ํานมเพราะอะไรเพราะสังขารในภายในมันบดมันย่อยมันขยี้ตัวเข้ามันเองมันทําให้อันนต์เสื่อมไปอันนี้เสื่อมไปต้องมีของใหม่เข้าไปสับไปแซม ไปเพิ่มไปเติมเสร็จแล้วก็เอาไปปรุงให้เกิดส่วนที่เจริญมันจะเจริญในในในวัยที่เจริญแล้วมันจะเสื่อมในวัยที่เสือ่อมอัตภาพร่างกายของเราเนะนี่ยมันจะมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้อ่าเสน็จแล้วพอโตขึ้นมาพ่อแม่ไม่ป้อนเรารับทานได้เองอะไรได้เองเราก็ใส่เข้าไปอ่าสองชิมองสามชิมองหิวก็ใส่เข้าไปใส่ข้าวใส่น้ําใส่ขนมนมเนยใส่เข้าไปทํำไมเราจ้องใส่ เระว่าธาตุในร่างกายเร า, ามันเสื่อมไปมันสิ้นไปอันนี้คือร่างกายสังขารมันจะไม่เคยอยู่เท่าเดิมความไม่อยู่เท่าเดิมของมันนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขังมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังและภาวะอันนี้ไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้ระบบอันนี้ไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้นักวิทยาศาสตร์รุ่นไหนยุคใดสมัยใดไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้แม้พระพุทธเจ้าแท้ๆท่านก็ไม่สามารถดัดแปลงได้ ถ้าดัดแปลงได้พระองค์ดัดแปลงให้พวกเราแล้วให้เป็นนิจจังให้เป็นสุขขังมีแต่ความเที่ยงตรงมีแต่ความสุขแต่ด้วยเหตุที่ดัดแปลงไม่ได้นี่เองพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าโอ้เราจะถือเป็นเราไม่ได้มันต้องไม่ใช่เราเป็นอนัตตานี่ที่มาของอนิจจังของทุกขังของอนัตตาเราดูตรงนี้ดูให้เห็นในเมื่อเราดูเห็นแล้วเราจะเห็นโทษเห็นไัยและก็สิ่งเหล่านี้เป็นตัวผล เหตุย้อนไปย้อนไปให้ให้ใ ห, ให้ถึงสมุทยัยสมุทัยคือตันหาตันหาก็บอกแล้วว่าย้อนมาดูที่ใจของเราจะเห็นย้อนมาเดี๋ยวนี้เราก็เห็นย้อนมาเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเราพยายามจับอยู่อย่างนี้เราจะทันตันหาในใจของเราโดยเหตุที่เราเจริญสติเนี่ยเอาสติมากำหนดจดจอ่อจ้องจดจ้องจับรักษาจิตของเราอยู่ทุกระยะทุกเวลาเพื่อไม่ให้ตันหามันโผล่ขึ้นมาเนี่เมื่อตันหามันไม่โผล่ขึ้นมา มันก็ไม่เอาจิตของเราไปใช้ทุกโทษทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นผลเพิ่มของตัณหามันก็ไม่มีในเมื่อตัณหาใหม่มันทํางานไม่ได้ตัณหาเก่าที่มีอยู่ดั้งเดิมในพื้นเพจริตนิสัยของจิตของเรามันก็จะเริ่มเร่าร้อนเราก็มาพิจารณาคลี่คลายรูประรู ป, ปรขันนี่แหละทำไมเราจึงร้องว่าเป็นเราไปเป็นของของเราโอ้ย้อนไปในท้องแม่เราไม่ได้เอาเลืองอะไรไปสักปรดไปเกิดในท้องแม่มีแต่ดินน้ําลมไฟ ออกมาแล้วกับดินน้ําลมไฟหรืออาหารที่เรารับทานเข้าไปนี่เหลืออันนี้หรือเป็นเราอันนั้นก็เห็นเป็นข้าวอันนั้นเป็นผักอันนั้นเป็นปลาอันนั้นเป็นเนื้อก็ใส่เข้าไปนี่คืออาหารของมันพอใส่เข้าไปร่างกายมันก็ได้เอาไปสับไปเปลี่ยนไปดูดไปซึมไปซับเจริญในส่วนที่เจริญเจริญและไอส่วนที่เสื่อมก็เสื่อมไปไอส่วนที่เจริญมันก็เจริญไปมันก็มีอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่คือภาวะของสังขาร เราจะสามารถระงับดับสังขารที่เป็นรูปธรรมหรือเราจะสามารถระงับดับสังขารที่เป็นนามธรรมได้ด้วยอำนาจของสติธรรมด้วยอำนาจของปัญญาธรมรมถูกลงแล้วก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้นายุค ข, ของพระพุทธเจ้านั้นเขาทําอัตกิะมถานโยคและเขาประกอบตนพัวพันในกามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงธรรมในธรรมจักรกับวรรนะสูตร การมาสุขาริการนโยกตราบใดที่เราต้องการทำแต่เราประพฤติตามอำนาจของกามทั้งหลายเกิดประพฤติตามอำนาจของความอยากตามอำนาจของความโลภของความโกรธของความอิจฉาที่เสียพยาบาทด้วยอำนาจของกาลมาราคะยิ่งประพฤติตามเท่าไหร่ยิ่งประพฤติตามเท่าไห ร, ร, ร่มังคบิยิ่งเป็นการส่งเสริมกาลมรุธธรรมะจะเกิดขึ้นมาตรงไหนมันเข้ากันไม่ได้กับธรรม ะ, ะท่านจึงว่าเป็นทางที่เราควรหลีกควรเลี่ยง และอัตกรลมมันฐานโยกประกอบตนเหน็ดเหนื่อยเปล่าเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิ บ, บัติบำเพ็ญในยุคต้นๆที่พระองค์ออกไปบำเพ็ญ น, นั่นแหละทรมานกายกลั้นลมหายใจเนี่ยพระองค์กัดฟันด้วยฟันกดลิ้นที่เพดานแล้วก็แล้วก็ลวกลั้นลม น, นี่คือทรมานกายนะแต่ไม่ได้ภาวนาอย่างอื่นนะ ทรมานกายเพื่อต้องการให้ธรรมะมันโผล่ขึ้นธรรมะที่จะพึ่งโผล่คืออะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะธรรมะที่เขาหวังคือธรรมะอะไรก็ไม่รู้ในเมื่อพระองค์ไม่ไม่หายใจทางปากไม่หายใจทางจมูกลมมันไม่มีที่ออกมันก็ออกทางหูอูซียดในพระวรกายนั่นนี่คืออัตกรลมมันทานโยกจากนั้นก็มาอดอาหารเนี่ยเสวยอาหารเต็มอิ่มเนี่ยลดไปเรือดทีละคำทีละคำทีละคำลดไปจนเหลือหนึ่งคำ ลดไปอีกลดไปเรื่อยลดลดปริมาณไปลดลดลจะเหลือหนึ่งเมตรกว่าจะถึงหนึ่งเมตรร่างกายมันสู้พร้อมขนาดไหนและนะ้วแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมนกันนะต้องการอัดทำที่ใจแต่ไปทรมานที่กายนะไม่ได้ภาวนาอะไรเลยเหมือนอย่างพวกเราอดอาหารทุกวันนี้เราอดอาหารภาวนา <S <S เพื่อใจของเราได้รับความสงบเ พ, พ, พื่อพิจารณาให้เกิดสติ <S <S ให้เกิดปัญญาเราอดอาหารทํางานแต่อัตเกลรมัทานโยกสมัยนั้นเนี่ย เขาอดอาหารหรือทรมานร่างกายเพื่อต้องการให้ธรรมะเกิดในหัวใจต้องการให้ธรรมะเกิดที่ใจแต่ไปทรมานร่างกายเหตุผลมันติดมันเชื่อมติดกันไหมเหตุผลเชื่อมไม่ติดกันเลยต้องการอย่างหนึ่งแต่ไปทําอีกอย่างหนึ่งต้องการผลที่ใจแต่ว่าไปทรมานที่กายพระพระพุทธเจ้าด้วยวิสัยของพระโพธิสัตว์ท่านจึงมาดําริได้เอ๊ะมันน่าจะไม่ใช่ พระองค์จึงหันมาวิธีใหม่มาทรมานมาทําความเพียรทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นวันแรกพระองค์ก็จับเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานัชติแต่ตอนนั้นอ่ะพระองค์สมาธิพระองค์ทรงเต็มแปร่อยู่แล้วนะรูปปัสมะบัติอรูปสมาบาัติพระองค์ทรงเต็มแปร่อยู่แล้วจิตของพระองค์เหลือนหนึ่งเดียวเอามาใช้กับประโยชน์อะไรไม่มีตัณหามายื้อแย่งเข้าไปแล้วตัณหาสงบระงับ มันไม่ต่างอะไรกับหินทับชิลาชิลาทับหญ้าหินทับหญ้าว่า ง, งั้นเถอะอาศัยอารมณ์ฌานเหล่านั้นกดตันหาไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาท่านตั้งยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นรูปปสมาบัตรอรูปสมาบัติด้วยแล้วนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมีอภินยาสามารถดำดินบินบนอะไรต่ออะไรได้แต่พระองค์ไปเรียนจบกับอาจารย์ในระยะเวลาที่สั้นอาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบหมดแล้วนะ พระองค์ย้อนมาดูพระไทยของพระองค์ยังมีความทุกข์มีความห่วงวิตกกังวลอะไรต่ออะไราสารพัดในพระไทยของพระองค์เอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงออกมาบําเพ็ญโดยลําพังพอมาบําเพ็ญโดยลําพังก็มานึกถึงอนาปานาสตินี่เองพระองค์ก็เริ่มจับอานาปานาสติตั้งแต่หัวข้ามไปปฐมยามทําให้พระองค์ได้ปุปเพนิวาสานุสติญาณไม่ใช่ฌานนะได้ญาณ ได้ยะถาภูติยานได้ความรู้ประจักษ์ชัดแจ้งอย่างได้อย่างหนึ่ง mm. เห็นภพชาติของพระองค์เอง mm. เห็นเห็นตั้งแต่ตอนนี้ระลึกไปย้อนหลังไปกี่กลับกี่สังสังวัตกับกี่วิวัตกับระลึกย้อนไปไม่มีจุดจบไม่มีจุดจบภพบชาติของพระองค์มากมายมหาศาลอู้น่าเบือ่อหนอ่ายเหลือเกินเนาะเกิดตายเกิดตายเกิดตายพอยามท่ามกลางได้จุตูปปาตยานเห็นภพชาติของคนอื่นของสัตว์อื่นนะท่นี่ เกิดตายเกิดตายเกิดตายทำกรรมนู้นมาเกิดเปน็นนี้ทำกรรมนี้ไปเกิดเป็นนั่นเกิดตายเกิดตายทีพระองค์ก็หมุนอยู่อย่างนั้นแหละด้วยพระไถยของพระองค์เนี่ยมีสมาธิเต็มแปร่ยอยู่นั้นแหละปัญญาอบรมบ่มอินทรียก็เต็มแปร่ยอยู่นั้นพูดถ้าพูดถึงตะปะธรรมก็ตะปะธรรมเต็มที่อยู่แล้วถึงการถึงคราวที่พระองค์จะได้บรรลุบรรลุลพระสมมาสัมโพธิญาณในปัจฉิมยาม รู้สึกว่าอาสวะกิเลสในพระไทยของพระองค์เนี่ยเหือดแห้งหายไปอาสวะกิเลสเข้าถึงอาสวะขยายานพระไทยของพระองค์เข้าถึงความเป็นผู้เข้าถึงอาสวะขยายานมียานอย่างหนึ่งบอกบอกภายในพระไทยของพระองค์ว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงในใจของพระองค์เหือดแห้งหายไปหมดแล้วทําให้พระไทยของพระองค์เกลี้ยงก ล, ล่าเบาสบายปลอดโปร่งไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้ จึงทาให้พระองค์ปฏิญาณพระองค์ได้ว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี yeah. ่ยไปเทศให้กับปัญจวัคคีฟังก็เลยไปเล่าเรื่องเหล่านี้แหลปัญจวัคคีฟังถ้าเรายังไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเราจะยังไม่ปฏิเสธเราเราจะยังไม่เราจะยังไม่พูดว่าเราบริสุทธิ์นะตราบดใดที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเรา เรายังจะไม่ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ตราบใดที่เรารู้เราเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วเราจึงปฏิญาณว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์บอกกับปันพระปัญจวัคคีโปรงเข้าไปเห็นเลยเนี่ยเข้าไป็นหลักอริยสัจสี่เนี่ยเห็นทุกเห็นสมุทัยเห็นนิโรธมักมียานบอกได้เลยว่าโอ้อันนี้เป็นทุกยานบอกว่าเนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกอันนี้เป็นเป็นทางดับอันนี้เป็นเป็นความดับทุกข อันนี้เป็นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกมียานบอกน ะ, ะมียานบอกทุกนี่ทุกนี้ก็มียานบอกอีกว่าทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรกําหนดละนิโรธทําให้แจ้งมัดทําให้เจริญที่ว่าทุกควรกาหนดรู้กําหนดรู้แล้วยานบอกเป็นระยะระยะสมุทัยควรกําหนดละละได้แล้ว ยานมันมียานอย่างบอกนะยานมันเป็นเครื่องมาตัดสินตัดสินว่าอันนู้นถูกอันนี้ผิดอันแท้อันนั้นปลอมยานเป็นเครื่องมาตัดสินในพระทยของพระองค์อันนี้นิโรธควรทําให้แจ้งทําให้แจ้งแล้วนิมกควรเจริญทําให้เจริญแล้วจนเป็นเหตุทําให้พระองค์ได้ยานได้จักสุปได้ยานได้ปัญญาได้วิ ช, ชาได้แสงสว่างอาโลโกอ ม า, มาพูดให้พระปัญจวัคคีเทศให้พระปัญจวัคคีฟังอันนี้พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่การก่อนนะทุกสมุดไทยในรถมากเนี่ยปุบเบอนนตสุเตสุธรรมเมสุพระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่การก่อนแต่ด้วยพระไทยของพระองค์เนี่ยมียานทัศนยะถาภูตายานทัศนะเข้าไปรู้เข้าเห็นอยู่อย่างนี้ในหลักอริยาาสัจสีจึงมาปฏิญาณกับปัญจวัคคีว่าพระองค์ ได้ผลแล้วบริสุทธิ์แล้วตราบใดที่โปอง์ไม่รู้พระองค์จะไม่มาปฏิญาณว่าโปองค์บริสุทธิ์ปัญจวัคคีย์ก็ตั้งใจฟังบางคนก็อาจจะลงพระองค์เต็มร้อยบางคนก็อาจจะไม่ลงเต็มร้อยก็ได้เพราะฉะนั้นปัญจวัคคีย์นี่ได้ได้วันละองค์เองทำให้จักรวาลสูตรก็ได้พระอัญญากลทัญญะพระัญญากลทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าเข้าไปเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปไม่เคยอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปก็คือทุกขังก็คืออนิจจังนั่นเองทั้งทุกขังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังนั่นแหละจะไปกะเกณฑ์เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปไม่ได้พระองค์จึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาพระัญญาโกลธัญญะเข้าไปเห็นยางกินจิตสมุทัยธรรมังสัพปัญตังนิโรธธรรมัง สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปลี่ยนธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเปลยนธรรมดาเพราะพระอัญญาโกนธัญะท่านฟังธรรมแล้วก็ทรงกระแสจิตไปตามกระแสธรรมของพระพุตรเจ้าก็เข้าไปรู้เข้าไปเห็นอั น, นิี้จังทุกขังอนัตตามียานัศนะบอกบอกว่าโอ้เมื่อก่อนเรายึดเหลือเกินยึดอัตภาพยึดร่างกายอันนี้แต่พอมาถึงตอนนี้พอเข้ามาเห็นหลักความเป็นจริงโอ้กายนิสักถวากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเพราะฉะนั้นจึงละ การยึดมั่นถือมั่นลดผล่อนบรรเทาการยึดถือยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วย อ, อุปาทานว่าเป็นเราว่ากายเป็นเราเราเป็นกายท่านจึงว่าละส ก, กายทิฐิได้เพราะเข้าไปเห็นเหตุเห็นเห็นเหตุเห็ น, ห น, ห น, ห น, หนปัจจัยอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีใครสามารถจะไปปฏิเส ธ, ธพระองค์ได้พระองค์เข้าไปเห็นโรคด้วยพระไถ่ด้วยญาณศัศนะของพระองค์เองพระัญญาคนลัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม วันที่สองวันที่สาวันที่สี่วัดพระพัทยามหานามอาสิจิก็ได้ได้ดวงตาเห็นธรรมวันละองละองละอ ง, ะองพอวันที่ที่หพระองค์ก็ทรงแสดงอนัตต์ลักษณสูตรซึ่งเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกขึ้นไปอีกทําให้พระปัญจวัคคีย์ได้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดนี่คือเข้าไปเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนิจจ์อนัตตานี่เองเราเอาอะไรมาถูถ่ยให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตต์เราดูมาที่กายของเราเราก็เห็น กายของเราไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปไม่อยู่เท่าเดิมหนเป็นทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังอ่าไอเราเจ็บเราปวดนี่ก็คือทุกข์อย่างหนึง่งแต่ว่าความเปลี่ยนไปของมันมันไม่อยู่เท่าเดิมอันนี้ก็เป็นลักษณะของทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังนิอนิจจังยังไงทุกขังก็อยังงั้นทุกขังยังไงอนิจจังก็อย่างงั้นหากมันมีกิริยาสืบช่วงต่อจากกันเพราะฉะนั้นใครเห็น อนิจจังเท่ากับเห็นทุกขังพระเห็นทุกขังเท่ากับเห็นอนิจจังพระเห็นทุกอนิจจังทุกขังคนนั้นก็เห็นอนัตตาอนัตตาคือไปกะไปเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังของเราอย่างนั้นอย่างนี้กะเกณฑ์ไม่ได้ใจบังคับอยู่ตัณหามันบังคับใจของเราเอาใจของเรามาอยากอย่าให้เราเที่ยงอย่าให้เราสวยอย่าให้เรางามอย่าให้เรามีความสุขอย่าให้เราจีรังยั่งยืน ไม่อยากเปลี่ยนแปลงขอให้สิ่งนั้นเป็นไปตามใจหวังของเราขอให้สิ่งนี้เป็นไปตามใจหวังของเราขอได้อยู่เนาะแต่ว่าทุกสิ่งที่ไปขอเขานั้นสิ่งเหล่านั้นเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาอย่าลืมว่าความเป็นไปบนโลกใบนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราย้อนมาที่เหตุที่ปัจจัยเราจะรู้รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของมันธรรมชาติที่แท้จริงของอะไรเราดูไปที่เหตุที่ปัจจัย เราดูไปที่เหตุที่ปัจจัยเราจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาจะสําคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรก็ตามมันไม่ใช่เราทั้งนั้นแหละเราไปกะเกณฑ์อะไรให้เป็นไปตามใจหวังของเราได้เรามีสามีเรามีภรรยาเรากะให้เป็นไปตามใจหวังเราได้ไหมมีลูกกะเกณฑให้เป็นไปตามใจหวังเราได้ไหมสหัยหนึ่งภรรยาครบชู้สักวันหนึ่งสามีครบชู้แง่ต่างคนต่างนอกใจกันแล้ว เคยรักเคยห่วงเคยฉนุฉนอมกันสักวันหนึ่งโกรธให้กันเคียดให้กันด่าทอกันลูกของเราหวังจะให้ร่ำเรียนหาโน่นให้หานี่ให้ไปไปมาโอ้ลูกประสบอุบัติเหตุแล้วไปไปมาโอ้ลูกติดยาบ้าแล้วเนี่ยผิดหวังทั้งนั้นการที่เราเข้าไปหวังกับสิ่งใดทุกอย่างทุกเรื่องทําให้เราได้รับความทุกข์เราไปหวังหวังลมหลมแรงแรงท่านั้นแหละ การหวังจริงใดท่านจึงให้ทําไปประกอบไปพร้อมประกอบคุณงามความดีหวังความสุขหวังความเจริญแต่ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาเหมือนอย่างที่เคยยกตัวอย่างนั่นแหละเราต้องการความสุขความเจริญให้กับชีวิตจิตใ จ, จของเราแต่เวลาเราไปประกอบพฤติกรรมเราไม่ค่อยจะคํานึงว่าเราผิดเราทําถูกผิดสินผิดทำถูกสินถูกทำเราไม่ค่อยคํานึงหรอกทําตามใจชอบทําตามอํานาจของตันหาเหมือนเราต้องการจะ ป้ายสีขาวแต่เราไปจุ่มสีดำแน่เวลาเราไปไป้ายมันก็ต้องเป็นสีดําพฤติกรรมเราทํำยังไงผลเหตุเราประกอบยังไงลงไปผลมันก็เป็นอย่งงางนั้นตามมาไม่มีเหตุที่ไหนประจักษ์ผลไม่มีผลผลที่ไม่มีผลใดๆประจักษ์เหตุไม่มีเหตุใดๆประจักษ์ผลสรุปลงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้า8ปดหมพันพระธรรมขันธ์ รวมมาลองอยู่ที่เหตุกับผลเระดูไปที่ไหนเระดูไปที่หลักของอริยศาสตร์ทั้งสี่อริยศาสตร์ทั้งสี่เหตุผลมีเหตุกับผลเท่านั้นเหตุอันหนึ่งทําให้เกิดผลคือความทุกข์เหตุอันหนึ่งไประ ง, งับดับทุกข์นี่พุทธเจ้าเข้าถึงความสงบระ ง, งับดับทุกข์ท่านจึงได้ทบทวนข้อประพฤติข้อปฏิบัติที่เรียกวอริยมรรคเมืองแปดมาบอกมาสอนพวกเราให้เราเจริญตาม เราประกอบพ่วงเข้าไปตั้งใจให้ทานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจรักษาศีลถึงขั้นรักษาศีลเนี่ยมันถึงขั้นตอก่อนกันกันกบตัณหาเลยนะที่เราตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเราต้องมาต่อสู้กับตัณหาในหัวใจของเราแล้วทำไมเราเราอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกรรมเนี่ยพอเรารักษาศีลปั๊บโอ้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้ต้องต่อสู้ต้องเสียสละ กิเลสทั้งหลายเหล่านี้เราต้องเสียสละแน่เรามาเกี่ยวข้องกับศีลปบเราต้องต่อสู้กับกิเลส ท, ทันทีในเมื่อกิเลสมันแสดงกิริยาที่กายแสดงกิริยาที่วายจาให้เราผิดศีลที่กายกายกรรมให้เราผิดศีลที่วายจาวะจีกรรมเราเอาศีลไปกํากับกิเลสแสดงไม่ได้มันก็แสดงโดดเด่นอยู่ที่จิตท่านจึงให้เราเภาวนาให้ใจได้รับความสงบ กิเลสมันโดดดิ้นอยู่ที่จิตมันโดดดิ้นไปที่ไหนมันโดดดิ้นไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสด้วยอํานาจความเชยทะยานด้วยอำนาจความอยากของมันเราหยุดไม่ปรุงไม่นึกไม่คิดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสที่ตัณหามันพาเราคิดอยู่กับบทธรรมในเมื่อเราอยู่กับบทธรรมผลรายได้ก็เป็นเรื่องของธรรมทำกรรมวิบากทำกิริยาที่เราทำนี่เป็นกรรมทําลงไปแล้วเป็นวิบากคือธรรม แต่ถ้ า, าเราไม่เอาทำ ม, มากำกับที่ใจของเรากิเลสมันต้องมาเกาะใจของเรามันก็กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจของกิเลสมันยุ่ยแยงหัวใจของเราผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดอากินกรรมของเราเราควรจะละสิ่งเหล่านี้และบำเพ็ญสิ่งที่เป็นทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของทำทั้งหมด โดยเหตุที่เราไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมหัวใจของเรามีแต่เรื่องกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากที่เยกว่าวัตตะวนวัตตะวนกับวัตตะสงสารนี่มันกันเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายวัตตะวันกับวัตตะสงสารนี่มันอันเดียวกันวัตตะสงสารก็คือเกิดแก่เจ็บตายสังสาระแปลว่าการท่องเที่ยวเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเจ็บเที่ยวตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเราต้องการจะตัดวัตฏวชนอันนี้เราต้องตัดอะไรเราต้องตัดกิเลสกิเลสตัณหาอุปาทานนี้มันอันเดียวกันดูเห็นตัวมันไหมดูให้เห็นความอยากในใจของเราเราจะเห็นกิเลสเราจะเห็นเห็นเดษเราพยายามกำหนดจดจ่อจ้องมาที่ใจของเราตัณหาโผล่ขึ้นมาปับ๊บทันปั๊บดับโผล่ขึ้นมาปับ๊บทันปับ๊บดับถ้าหากมันปะทะหน้ากันจังๆโอ้มราไปข้างหนึ่งเลย โอ้มีกําลังเรียวแรงได้กําลังใจได้กําลังจิตได้กําลังใจการที่เราเห็นตัญหาดับมันได้กําลังใจการที่เราเห็นอย่างอื่นเกิดดับเกิดดับเกิดดับด้วยเหตุที่เราคาดเราเดาเราหมายเราไม่ได้เห็นทุกเห็นโทษตามที่ท่านบอกว่าเห็นอาน like, ิจจังทุกขังเห็นอนัตตาคือเห็นโทษมันไม่เหมือนเราเห็นตัญหาดับเห็นตัญหาดับคือเห็นเจ้าเห็นจองของมันแท้พยายามกําหนดจดจ่อมาที่ใจของเรา เราสามารถเจริญมหสิตธิปทานอย่างเดียว<ม>ก็ได้าตามกำหนดตามจับความรู้สึกภายในใจของเราความอย่าลืมว่าความรู้สึกในใจของเราถ้าเราจับไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นสุขเวทนามันจะเป็นทุกขเวทนาแล้วมันจะยินดีในสุขเวทนามันจะยินร้ายในสุขเวทนาแต่ถ้าเรามีสติกากับตามจับตามกำหนดจดจ่จอตามจับอารมณ์ความรู้สึกภายในใจของเรา เกิดความรู้สึกอยู่รู้ว่ามันดีอยู่แต่ไม่ยึดรู้มันยินร้รู้มันน่ายินร้ายอยู่แต่ไม่ยึดคืออารมณ์เหล่านั้นไม่ซึมซับซึมซาบเข้าสู่หัวใจตั้นหาแสดงตัวไม่ได้พยายามตั้งจิตกำหัดจดจ่อให้รูอยู่นั้นเราจับอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะยิ่งเราทำความรู้สึกกับกับเวทนาด้วยแล้วเวทนามีแทรกมาทุกอย่างทุกเรื่องเลยแหล ะ, ะเวทนา เพราะเวทนาเป็นที่ไปชุมรวมของธรรมธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเวทนาเป็นที่ไปชุมรวมเราพยายามมากําหนดจดจ่อยอยู่ที่เวทนาทุขเวทนาก็รู้ทุกเวทนาก็รู้ตัณหาสวมรอยไม่ได้ในเมื่อมันสวมรอยไม่ได้บ่อยครั้งเข้าเรารู้เห็นที่เกิดของมันอ๋อมันเกิดมันจะเกิดตรงนี้เราคอยระวังมันเกิดมันเกิดตรงนี้มันจะตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ตรงนี้มันจะดับมันก็จะดับตรงนี้ตราบใดที่เราหลงให้กับมันเนี่ยมันเกิดตรงนี้ มันตั้งมันตั้งอยู่ตรงนี้เวลาเราทันมันมันก็ดับมันก็ดับมันก็ดับตรงนี้เราดูแต่อารมณ์ที่มันจะพึงแทรกเข้ามาในหัวใจของเราตาหูจมูกนิ้กายใจรูปเคียงกลภโธทพธรรมอารมณ์วิญญาณหกพัทธสหกเวทนาทั้ง6เวทนาอันเกิดขึ้นจากความกระทบกันระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในเวทนาก็คือเกณฑ์การกระทบ ทำให้เราเกิดความรู้สึกยินดีเกิดความยุ่สึกยินร้ายอะไรเป็นตัวแปรให้เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็ความชอบใจแต่เอาหน้าของตันหาที่เราไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมไม่เคยขัดกล่าวมันสิ่งไหนที่มันชอบใจที่ไหนสิ่งไหนที่มันอ่อนนิ่มนวลสละสลวยมันก็ชอบสิ่งเหล่านั้นสิ่งไหนที่มันแข็งกระด้างที่มันชอบขัดที่เรียกว่าปฏิกะมันชอบขัดจิตมันไม่ชอบตันหามันชอบ มีอิทธิพลมีอิสระเสรีที่จะนึกที่จะคิดที่จะปรุงตามใจชอบอันไหนที่มันสละสลวยงดงามมันก็ชอบอันไหนที่มันมันไม่สวยมันไม่งามมันก็ชอบมันยึดอย่างนี้มาจนเป็นอาจินกรรมเป็นเหตุให้เกิดความยินดีเป็นเหตุให้เกิดความยินร้ายเป็นเหตุให้เกิดตันหาบานปลายพวกเรามาจนทุกวันนี้เรามาแก้ริดแก้เดชความคึก ข, ขนองของใจของเราน ใครเอามาใส่ให้ไม่มีใครใส่ให้หากเราได้ผู้รู้มามันได้มาด้วยกันเป็นวัตถุดิบการที่เรามาชะมาล้างเนี่ยมันเป็นการชะล้างวัตถุดิบมาเจรไนจิตของเราเนี่ยเจยรไนสิ่งเหล่านี้ละออกพระพุทธเจ้าท่านเจรไนออกไปหมดแล้วจนเหลือแต่พระไตรปิฎสุดหนึ่งเดียวไม่เป็นสองไม่เป็นกองสังขารพระสงฆ์สาวกพระอาญาสาวกไม่เป็นกองสังขารบริสุทธ์หมดจด โดยหนึ่งเดียวฉะนั้นก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานพบมันก็ไม่มีอยู่แล้วเราไปไล่ดูตามหลักปฏิจจสมุปบาทมันก็บอกอยู่แล้วทีนี้เรามาดูอารมณ์ข้อเท็จริงที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรามันดับได้จริงๆริงตัณหาโผล่มาไม่ได้อุปาทานมันก็ยึดไม่ได้จริงๆพบชาติที่เราจะไปโผล่มันก็ไปโผล่ไม่ได้จริงๆถ้าเราระงับไม่ได้เช่นอย่างแม้แต่เรานั่งภาวนาเรานั่งฟังอยู่ตรงนี้อเดี๋ยวลงไปหิ ว, หวน้ำจะไปกินน้ำ ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นรองทานตรงนั้นตรงนั้นนี่คือมันยึดแล้วว่ามันยึดแล้วตัณหามันยึดแล้วพอเราลงไปแล้วเราไปโผ ล, หล่ตรงนั้นแหละตรงไหนที่ว่าแซบแซตรงไหนที่ว่าอร่อยเราก็ไปโผล่ตรงนั้นปปนี่คืออุปาทานนี่คือภพนี่คือชาติเราดูอารมณ์ของเราเราก็พอจะเทียบเคียงได้ว่าภพชาติของเรามันเกิดขึ้นจากการที่เรายึดที่เราถือนี่เองตราบใดปล่อยให้ตัณหามันมาแทรก พบชาติมก็ตามมาอุปาทานมันก็ตามมาพบชาติก็ตามม า, า, ม า, มมาความถือเนื้อถือตัวทั้งหลายทั้งปวงตามมาเป็นเหตุให้เราทะเลาะเบาะแหวงผิดข้องมองใจทะเลาะเบาะแหวงฆ่าแกงกันอยู่ไม่จบไม่สิน้นบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นจากตรงนี้เองแต่พวกเราไม่เคยเจาะขุดลึกให้เห็นรากเงาหเห็นต้นต่อที่เกิดที่ดับข้องมันแล้วก็ไม่รู้จะไปสงบระงับดับตรงไหนบางคนเนี่ยทุกข์ทุกข์กกกกกจนเป็นบ้าทุกข์จนเป็นบ้าเพราะไม่รู้จักที่สงบที่ระงับ ความทุกข์นี่ยทำให้เราเป็นบ้าได้จริงๆนะดูนิทานนางปตย า, าราเนี่ยเป็นทุกข์ทุกผัวตายทุกลูกตายทุกพ่อแม่กับพี่ตายในขณะเดียวกันนะวันเดียวกันนะ่ะว่าว่าจะไปว่าจะไปคลอดลูกที่บ้านแม่เพานะั้นลูกคนที่สองเนี่ยพาสามีไปว่าจะไปคลอดลูกที่บ้านแม่นางปตย า, าราเนี่ยพอไปถึงได้ระหว่างทางก็เลยปวด ทันจะคลอดพอดีฝนพายุก็มาตอนนั้นพอดีนี่สามีก็เลยไปด้อม้ข้างๆจอมปลวกไปหานุ่นมาปวกหานี่มาป้องให้ภรรยาภรรยากาลังจะออกลูกไปด้อมด้มด้ม้เนี่ยงูงูมันฉกงูพิษมันฉกอยู่ที่จอมปลวกตายขึ้นเขียวอยู่คนเดียวอยู่นั่นนา น, นี่ก็ทนไม่ไหวก็คลอดท่ามกลางฝนตกนั่นแหละฮะฝนมันจะตกเปียกลูกก็เอาตัวตัวเองนี่คล่อมเอาไว้นี่ทุก พอฝนหยุดก็ไปเดินตามหาสามีโอสามีตายแล้วทุกขนาดไหนล่ะยังไม่เลิกที่จะคิดไปไปเยี่ยมแม่ไปบ้านแม่ อ, อุ้มคนที่คลอดใหม่นะครับมันทุกขนาดไหนลนะ่ะดูสิคนหนึ่งก็อุ้มคนหนึ่งก็จูงไปจูงไปไปถึงแม่น้ําต้องรองต้องข้ามแม่น้ําเอาไปทั้งสองเลยทีเดียวก็ไม่ได้ให้ลูกคนโตอยู่ฝั่งนี้เราข้ามเอาลูกคนคนเล็กเข้าไปก่อนพอเอาไปแล้วไปวางไว้ที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งน่ะ แล้วกลับมาว่าจะมาเอาลูกคนโตกลับไปพ่อมาถึงกลางกลางแม่น้ำพอดีเ ย, ยียวมันก็เลยไม่โฉบลูกคนเล็กไปอ่ะทีนี้ตบมือไล่ไล่เยียวนั่นแหละไอ้ลูกคนโตคิดว่าแม่เรียกวิ่งลงไปน้ําพัดหายไปเลยหมดลูกสองคนในขณะเดียวกันพวก็หมดไปแล้วเมียไ อ, อ้ลูกก็หมดไปแล้วเดินไปถึงไปหาบ้านพ่อบ้านแม่ถามเขาเสียทีคนนั้นเป็นไงเสียทีคนนี้เป็นไงโอ้ตายหมดทั้งบ้านเลย รว่าบ้านพังทับตายหมดทั้งบ้านเลยนะเขากำลังเผาเนอะเห็นทุกวันพอรู้ว่าพ่อแม่ตายพี่ชายตายอะไรตายสามสามีกับลูกก็หมดไปแล้วนาเนี่ยบ้าเลยจ้เนี่ยนางปทายจาราถึงกับบ้าเลยบ้าจนถึงขั้นว่าไม่นุ่งไม่ห่มเสื้อผ้านั่นแหละไปทางไหนก็เลยย้ายบ้าย้ายบ้าเขาก็ไล่อยู่นั่นแหละเดินไปเดินไปก็ไปบุญมีบุญไปเจอพระพุทธเจ้ากาลังแสดงธรรมอยู่ เห็นเขามูงกันอยู่เดินไปเผื่อเขาจะได้อะไรแจกกันรับทานประาณนั้นเถอะไปพออยู่ไปอยู่ในรัศมีของพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวขึ้นมาค่อยคอยขยับเข้าไปคนใจบุญเขาก็โยนผ้าโยนไหล่ให้มาปกปิดอัตภาพร่างกายเข้าไปนั่งฟังเข้าไปนั่งฟังนั่งฟังพระพุทธเจ้าได้สติได้สัมปชัญญะคืนมา น, นี่เราเห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันไปทับถมหัวใจหาวิธีแก้ไม่ได้จนเป็นบ้าได้จริงๆ พวกเราถ้าหากเราไม่รู้จักสงบระงับเนี่ยเราก็บ้ า, บานะ่บางคนแค่เป็นประสาเนี่ยนะ่ะนึกคิดไม่หยุดนะี่ยปรุงจนเป็นจนเป็นประสาททายังไงอนะ่ะท่านนี่เราทําไงจับจับความรู้สึ ก, ก น, นั่นแหละยิ่งเราอยู่ในขณะที่เรานั่งภาวนาด้วยแล้วเราพย้ำจับมันขยับปับ๊บจับขยับปับ๊บจับเอาความรู้สึกของเราเนี่ยจับลองทำทำสติของเราให้ใหญ่ทําสัมปชัญญะของเราให้ใหญ่ ทำปัญญาของเราให้ใหญ่กำหนดจดจ่อกับงานอันนี้มันขยับขยับปั๊บทันขยับปั๊บทันขยับปั๊บทันขยับปั๊บทันหายเรียบไปหมดเลยไม่กล้าโผล่ขึ้นมาเลยอันนี้วิธีพิธีปฏิบัติโดยใช้หลักมหสถิปิปฐานแท้ที่จริงครูบาอาจารย์ท่านก็นใช้คําว่าเจริญปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าก็พิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณาให้เห็นความเกิดความดำพิจารณาให้เห็นหลักอ น, นิจจังทุกขังอนันตตานี้เอง โดยโด้วยเหตุที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยตัวของตัวเองจึงเป็นเหตุให้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมโอ้รู้สึกว่าพูดซ้ำรากมาเป็นระยะเวลาทั้งชั่วโมง2 2นาทีโอ้นานเละเกินเข้าใจรู้เรื่องไม่มาหมุนอยู่กับเรื่องเดียวนะนี่เราพูดถึงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปการเข้าไปสงบระงับดับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุข เราก็มาพูดในเนื้อหาของอัตธรรมที่ว่าเราสงบระงับดับอารมณ์ขั้นส ม, มถะเราก็มีความสุขขั้นส ม, มถะเรามาพิจารณาทางด้านปัญญาเรามีสติเรามีสัมพยัญญะรู้เท่าทันอำนาจความเป็นไปของตัณหาสงบระงับดับตัณหาต่อ น, นั้นได้เราเป็นสุขถ้าหากสงบระงับดับได้จนไม่กำเริบด้วยแล้วถึงอัตถึงธรรมขั้น โสดาขันพสกิทาคาขั้นพระอนาคาขั้นพระอาหารหันต์เราก็สามารถเข้าถึงได้นี่คือการเข้าไปสงบระงับดับสังขารเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่เจืออายุเ9ท่านตั้งใจบําเพ็ญสมณะธรรมท่านทําคุณประโยชน์ทั้งทางโลกและก็ทางธรรม คุณสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเสาะท่านแสวงหาะจะเป็นส่วนโลกียธรรมก็เป็นส่วนของท่านถ้าเป็นส่วนโลกุตตรธรรมที่ท่านแสวงท่านเสาะแสวงหาก็เป็นส่วนของธรรมก็เป็นส่วนของท่านท่านอยู่จนดับชีพละธาตุละขันในสมณะเพศท่านอยู่ในเพศที่ว่าสังสมแต่คุณงามความดี ทำกรรมวิบากผลรายได้ของท่านมีในเรื่องของธรรมท่านจะได้ขั้นโลกียะหรือท่านจะได้ขั้นโลกุตระเป็นคุณสมบัติของท่านท่านก็ไปเสวยความสุขเหล่านั้นตามอัตภาพตามภาวะของตนของต น, ของตนของท่านถ้าท่านหมดถ้าท่านหมดอุปัติถ้าท่านหมดอุปัติหมดภพหมดชาติหมดกิเลส ต, ตัณหาในในหัวใจ จิตของท่านเกเหลือนหนึ่งดีไม่มีพพไม่มีชาติไม่ต้องมาบัตรไม่ต้องมาแบกกองทุกกองโทษกองขันท่านเข้าถึงประมังสุขังพวกเราทั้งหลายเป็นศิษยานุศิษย์เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลน เ, เพื่อหวังจะเจริญคติธรรมตามเยี่ยงตามอย่างของท่านขอให้เราตั้งอกตั้งใจทาพระพุทธปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไวา้ตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่ง ตั้งใจเจริญสมาธิให้จิตได้รับความสงบตั้งใจพิจารณาทางด้านปัญญาจะพิจารณาทางด้านปัญญาจะพิจารณาในแง่ของมหาสติปทานนี่เป็นเป็นหลักของการหัดพิจารณาถ้าเราไม่มาตรง น, นี้เราไม่รู้จะไปพิจารณาตรงไหนเพราะฉะนั้นหลักมหาสติปทานจึงเป็นที่รวมของธรรมทั้งหมดอยู่ที่นั่นเป็นรอยเท้าของสัตวิทใหญ่ที่สุดสามารถครอบรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดในปาน่า พระเชาพระองค์มาทแสดงหลักมหาสิบประธานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมจึงครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดครอบครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติทั้งสมถะครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติทั้งวิปัชนาในเมื่อเราเระลึกได้อยู่อย่างนี้แล้วขอให้เราทั้งอกตั้งใจเจริญให้ถึงความสุขให้ถึงความเจริญในอัตธรรมนั้นๆ ดังปรารนามาพอสมควรแก่เวลาขอผลอั น, นิสงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อำนวยอวยชัยให้พรท่านทั้งหลายได้ประสบได้สมหวังในอัตในธรรมนั้นโดยทั่วกันหวังอิจฉ<า><า>ิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวัสมิชตุสเพปูรเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามนิโช ติระโสยาถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจยางุท ธ, ธาปัญโยจัตตาโรธรรมาวาันติอายุวนโนสุขังภาลังโอหลับตาว่า <c oughs>